เพื่อย้ำเตือนพู้ใดจริงเราทำเราได้ทำนั่นจริงเจ้เรด้ ย, ยินเน่นลงไปเฉพาะหน้าการปฏิบัติธรรมมีสาระ ไม่ใช่ไม่มีสาระอะไรมันสะดวกรู้เจ้าเ อ, อืไปให้แล้วกินได้เลยสองที่ปิดสองที่รวมผ้หมายคือแล้วเห็นได้ไม่ติดบงังขึ้น่อนลมีจิตติไม่ต้องไปทำะไร สติไปในกายกายก็มีไม่ติดไปหาที่ไหนสติก็มีได้จันทีเมื่อประกอบรู้สึกการมีสติไปในกายมันผ่านอะไรมากมายหัวที่บรรูกกายนี่มันผ่านอะไระมารู้การเคลื่อนไหว มีสติทุกกายเลยันผ่านหลายอย่างแม้มันจะเมนก็ผ่านได้าการมาตัณหาภาวตาัณหาปิพาตัณห า, า, หาดังนั้นยังไม่ได้เปิดยังไม่เห็นวับนี้เรามีสติมันเข้าคิวให้เราเห็นให้เราผ่านเหมือนการเดินทาง มารูผ่านมาแล้วดังเลยสงสัยอะไรที่ความเคยชินบางทีไม่เพียมพยายาปาดเพียแเทนอะไรมาพอมันจะไหลไว้จะโน้งกลับมารูมันก็ผ่านได้มันช่วยได้กรรมฐานเนี่ย เครื่องมือทำให้เราได้สะดวกอาลีบด ท, ที่มันเคลื่อนไหวไปแต่ไกาย่มันเป็นสิ่งที่จะให้เครื่องเป็นเครื่องทุนแรงถ้าการมาตัหามันหนักามารู้สิบตัวมันเบาสลักไปแล้วบอกคืนจาโค้ไม่มีที่ให้ตั้ง ไม่คุณค่าสุขทุกไม่คุณค่าผิดถูกไม่คุณค่านี่เดี๋วาวะที่รู้แล้วก็มาถึงปาะวะที่รู้ง่ายๆไม่เลยเป็นเรื่องยากลองรู้สึกตัวไม่ใช่เรื่องยากความหลงต่งหากเป็นเรื่องยากสัมผัสดวดีๆ มันก็เลยทำให้เราสะดวกรอมหลงทำให้เราได้รู้สะดวกหลงไปทางไหนสะดวกในทางเราลูั้งนั้น <c oughs> นี่มีสาราอย่างนี้เป็นกบเป็นกรรมขึ้นมาทำได้ปฏิบัติได้แม็ไปนวดกลับมาได้อย่างสบาย กรามรมาลาคะพยายามบ่อตมารู้จักตัวเดินไปให้เหตุผลในเรื่องกรามรมาลาคะพยาบามมารู้ก่อนเฉลยไปก่อนอย่าหาคำตอบที่เป็นความคิดเหตุผล มันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ทําไมทําไมไม่ต้องใช้มาลุไวก่อนจะเป็นตายได้อย่างไดหนักหนาสาวหมดอย่างไงมามาลุไวก่อนมีเหมือนกันทุกคนนั่นแหละกามรมเลาท่าพยาบาททีนั่งมิทะาค ว, าวงงอห อ, หอ น, อน นี่กันทุกคนแล้วก็เอากรรมฐานนี่เป็นเครื่องทุเลนกลับมาเราให้แก้ทําให้ชัดก็ง่วงเห็นง่วงเาหอนอนอมาู้ึกตัวถ้าผวรมด้วยตัวไม่เพียงพอเอาให้หนักสักหน่อยลแรงสักหน่อยมันก็เรียกล้อง เข่ใหญ่สักหน่อวนอะไรที่มันเหนียวก็เอาให้ดึงให้แน่นมึงให้แรงแรงกับพวมรู้สึกตัวไม่ใช่เหน็ดเหนื่อยไว่ลายิ่ออกแรงรู้สึกตัวจะยิ่งมีพลังไม่เหมือนกับทํางาน่างกายที่มันหนักออกแรงในความหนัก หากีว่าผลกระทบกระเทือน้อต่ปวดเอวอย่างแรงกระยุบตีนวปวดหมอนนั่นมันเป็นผลกระทบบนความแรงความออกแรงในความรู้สึกตัวไม่มีฝนกระทบเลยได้พลังกระดูดถลาไกลเอือ คนฆ่ามองเห็นคนค่าก็ใช้ได้อะไรก็อะไรต้องมีสติไปก่อนกลับมาทีก่อนมีความรู้สึกความรึมได้เป็นที่ตับเป็นเครื่องมือได้ได้ทุกประเภทปัญหาต่างๆ ป, ปัญญาเนะเหมือนกับเสิเหมือนเฉิทองก็แสวงเห่งปัญญาควรู้สึกตัวเนี่ยมองเห็นที่ฉันทางควารู้สึกตัวมันจบเท่านั้นแนหะว่าแต่เราให้ <c oughs> ให้มันตรงอย่างเนี่ยอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้มาหาความรู้ ต, ตรงเข้ามาแต่ที่บทช่วยรูปแบบกรรมฐานช่วยบทพระพต่างๆช่วยชายระบพระ หลังสติวัชานเพื่อนไหวจัมปัญญาปัฏฐานรู้ตัวลมหายใจปัฏฐานกำหนดลมได้มันไม่ไมีมากเครื่องใช้เครื่องมือที่ออามาใช้ให้เกิดความรู้สึกตัว เอาว่าจาักรายจากักรกิจมันคิดก็สมจิตตะบพักเอาความคิดนั่นแหลเป็นภาวะที่รู้คนหลงในความคิดเอาความคิดนั่นเป็นว่าที่รู้วนหลงไปทางกายโอากายมันเป็นพระที่รู้มีได้ความรู้ในกายมีได้ความรู้ในความคิดมีได้ความรู้ใน ความทุกข์ก็รู้ได้ในความสุขในความผิดความถูกอะไรรู้ได้ทั้งนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยแบบไปนจนจะ ย, ยอมจะก่อนใช้นี่ะนาาเะยก่อนใช้กรรมฐานเฉยก่อนให้รู้สึกตัวเฉยก่อนไม่จนนะ วันทีกองงอของจนต่อกองงอหลืมกวมรู้สึกตัวไปก็นอนชาเข้มแข็งเจ้านอยไม่ใช่ไม่หลับไม่นอนตลมรู้สึกตัวในอยูน่นั่งนั่งเล่ น, เ ล, นเล่นอะไรก็ได้แต่นอนพักคนก็ได้ถ้าทายมันดูก็ได้ ไม่ช่นูถนอมลุยๆเ้าหน่อยเล่นๆเดันเจ้หน่อยสนุกเ้าหน่อยเป็นการสนุกสนุกหลงก็ดีนะสนุกทุก็ดีนะอาจะหัล้อยิ้มในทุกตดถ้าเรากลัวมันทุกข์ก่ในกูเอ็นเศ้ รล้ากตั้งหนาเกิดไ้วาดเรปสก์เศร้าไปนะมันไม่ใช่สนุกสนุกเขียนสนุกทำให้มันมาแม้จะ่มันคิดอะไรคิดมากเครียดคนไม่ใช่ไม่ใช่รับปฏิบัติคิดมากแล้วเนี่ยมันจะรู้ธรรมถ้ามันชิดลงไปมันจะรู้มันชีคอันเนี้ยะเหมือกัน มันแข่งเราวิ่งแข่งแข่งขันกับคนอื่นแต่ก็ชีคอคนที่วิ่งมาเหมือนกับเป็นอย่างมากนะมันจะวิ่งเร็วขนาดแล้วชีมวนคอขนาดนันนะ้นชีวิตของเราเนี่ยเหมือนอย่างนั้นรนะู้สติชีมวนคอของคนหลงชีมวลคอของทุกข์ฉีมวนค อ, อ, คน ก, นคอกับทุกอย่างที่มันเป็น กุศลทั้งหลายมันเป็นไปได้เพาะแต่เราให้ชําลึชํานาญแต่บางคนจนน่าเศาช่อยหงอยเงาบางนคุมร้อยคุ้มดีเป็นอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นนิสัยกรรมละกรรมอะไร การมันสกนึการพิโยโคสุกก็สุกไปเลยทุก็ทุกไปเลยผิดก็ผิดไเลยระบอกการมันสกันึกการพิโยโคหนีโลกโพมปุถุตเจ้าโยไม่ใช่เป็นของพระอริยอนาคถสันติโตวม่ใช่เป็นของพระอริยเป็นของประชาชนเป็นของชาวบ้านเป็นของต่า ว่าเราได้มีมัดที่มาอว่าว่าเห็นอย่างนียเป็นทางอันประเสรเินเห็นมันอยู่ในดมของอริยัจสิงบุบเบิกไปเลยได้ไปเป็นเช้โรคเข้าถึงตัวเช้โรคไม่ต้องพิสูจน์เลยปฏิวัติธรรมเข้าถึงตัวโรค เป็นการตึกสรแบบวิทยาศาสตร์ค้นพบสําเร็จได้ในความหลงในความลุกเป็นโลกควาหลงควโผดคงามโผดเป็นโลกควงมลุกเป็นโลกควงเโผดเจ็บเจ็บใจเป็นโลกสติปัฏฐานเข้าถึงชื่อโลกดักษาได้ทำได้ไม่หลงไม่หลงก็ได ในทุกไม่ทุ ก, ก็ดอดในโกรธไม่โกรธก็ดอดในอะไรที่มันมีปัญหาปัญหาเป็นปัญญาอะไรทั้งนั้นเอาวิทียาศาสตร์บางยัค้นไม่จบไม่สิน้นแต่ว่าหลักพุทธศาสตร์ใ น, รในใจเราเนี่ย กรรมฐานเป็นวิชาที่ค้นนีจบได้นั่นชีวิตเราเนี่ยรวมหลงก็จบหลงความทุกข์ความโกรธที่เละเทะจบลงได้เมืนโลกแบบไห้ลูกโลกนาวโลกโลกของลูกว่านั่นจบมัได้โลกของนาวจบได้ ความความโลภความหลงเราจึงอย่าป่อยทิ้งใส่ใจงักหน่อยความหลงไม่ใช่ว่าจะเดินอยู่บนหลงนั่งสร้างจอดอยู่บนหลงวามรู้ไม่ใช่ปล่ า, า จ, จะสร้างจัหวะมันรู้อาจจะโนอนอยู่ก็รู้อ นั่งอยู่ก็รูย้ยด้เดียวเกรดนอกรูปแบบยิ่งดีเิตบตกยิ่งดีน่าซึ่งน้ามันจะเป็นบทเรียนกองไก่ขอไข่อนุบาลทำกันแล้วก็ไใช่แต่ทุกอย่างหมอกแก่การงานหมอกแก่การกระทํา อ่าไม่ใช่เด็กเหมือนเราเรียนหนังสือถ้าเ ร, าายาเราเีย น, นจบแล้วไม่ต้องกัปเรียนอีกอ่าสอบแข่งได้ลูปหัวมหมอยไม่ใช่ลูปตัวหนังสือรูปหัวหมอยต่ว่าที่ดูตัวเองมันบอก เหมือนนั่งรถอ๋อไอถนนทางที่เป็นทางด่วนไปเวมันบอกมันบอกบ้ายจะลชอมันบอกตอนนั้นเราปฏิบัติาตามตันังสือใช้เวลาเหมาะสม ตามกาลเทศะรู้การมาใช้ชีวิตของเราให้ถูกการดู้เวลารูปสถานที่รูปแหนที่การใช้ถูกต้องมันคนเขาพดูดคนปฏิบัติจําเมื่อเห็นเราก็มันบอกให้เราได้สะดวก นี่การเมลาท์มั น, น, นให้เราสะดวกนี่คือไป่ม า, หาหมันทำให้เราสะดวกนี่คือพวมมอหงองหนมัทําให้เราสะดวกนี่คือกลงทุ่งซ้อนทำให้เราสะดวกนี่คือรองเลงสงใจทำให้เราสะดวก เหมือนเจลามันป้ายเจลาจรทางหลวงทาเราเได้ปฏิบัติถูกต้องกับทิงเราหนะ้าถูกต้องมันก็มีอยู่มันมีอยู่ตัวมถูกต้องคล้องดกไม่เหลือลู่แล่านะไอ้สัตว์คือความเห็นให้เกิดทุกข์มีอยู่เราได้รูแล้วเราทําไม่แกแล้วเราเราได้แล้ว แล้วก็ไปพ้งองรายเจ็ถ้อเกิดอะไรขึ้นเวลาเรามีสติกลับมหาสติในอริสัต์รายเท่วรู้เล้วแต่ไม่เราหมดแล้วม่มรู้ร เ, เร็วกลับมารู้สิกตัวเนี่ยมดุเร็วนะทํามไม่รู้แล้วผ่านแล้วดีดีนะเคยเจอเรื่องน้นห ใครก็ไม่แต่มาาาื่ากำปฏปะใครก็ไม่เจ็จท่านเราจะมาทำาะไเดี๋ยวบัวให่เมตตาปยังคนเป็นศัตรูหัวอรเิเผ่ไว้ลงม่แต่แช่อสักหักกระดูกทำอย่างนั้นรำนี้ บางีนั่งปฏิบัตินั่งตาซส่งคิดถึงคนที่ทำให้เราเป็นทุกข์จะเพลงเมตตาไปขนาดนั้นไม่ได้มันทำพลาดโดยเขาขึ้นน้าหามังชัน้นมันยังเป็นอยู่มันไม่เห็นไม่ต้องไปเพล์เมตตาตอนนั้นไม่มิสติในก่อน เอาไวก้ก่อนมีสติก่อนจะแผ่เมตตาขนาดที่มนโกรธไม่เป็นไรไมไร่ใช่หัอมันเถิดมันว่าไม่ได้มีเด๋ยวมันจะว่าไม่น่ า, จ ะ, นนนนาจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทำไมจึงทำบุญหลวงอย่างนั้นทำไมจึงทําบุญหลวงนี้ก่อองค์แต่งให้ตัวเองหนักเข้าไปไปใช่ลักษณะถ้าลักษณะก็ถูกไม่ถูกที่ ให้ไม่ถูกที่ไม่ถูกการไม่ถูกเวลามามีสติเสียก่อนอย่าเป็นเป็น เ, นเนมตตาขณะที่มันบบทุยบาดมีสติกันมาเสียก่อนรู้เสีก่อนเ น, <c oughs> นื้อมันจะเป็นไปเองต่อไปมันก็มีแลกันะเมตตาขณาออกหน้าออกตาท่านมีสติเดียวง่าย ไม่มีอะไรชีวิตเนี่ยมีเมตตาเป็นใหญ่การเชชีวิตเนี่ยคู่กับกับสติมีสติก่อนมีเมตตาเป็นธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็วางนามันก็สะดวกเลยไปวัาสิ่งเวือรองทั้ไม่สติสะดวกเกิดขึ้นเหมือนเราจะปลูกแก่ฝังไม่เพืชไม่ทผับ ทีแรก็บุกเบิกไปก่อนให้มันเป็นรูเป็นทางไปก่อนจาก่าย้าป่าคงวนอะไรมันโลมมันเตี้ิกย้าขึ้นกไปใต้ดินเอาไ้ลงไ้ใต้ดมันก็หอที่จะโผล่ไปสติเป็นการบุกเบิกชิก่นทีน่คุกคัๆเหมือนกับมันขึ้น ไม่ไม่สะดวกฉันดุพ อ, อมีสติก็ค่อยล่าบลองล่าปลองลอง่าปลงแล้วทำก็เกิดขึ้นหมอกใจการปูระบังไม่เมตตาโดนหาไม่ตาน่ายอย่าไปมีสีไม่ทำเกิดขึ้นถ้าเป็นสติก็เหมือนเมล็ดพืช น, นอกอาหน่อย ถ้าไปปลูกันที่มันลบกหลงหลัา้ก็ไม่งอกมนะตมามันลลงไปไปจะยุ่งแว่ยากไม่กล้าตามเวลาถ้าเกิดลบกขึ้นมาไม่มีสถิยไหลไปมีความเย็นดีค่อยตาม นั่งที่รักพอใจไม่โดยจับสติมั ก, ก, ก็ลุกไม่ไหวก็ร่อยไปไม่มีสติมังก็ลุกอลลนันลุกหัวง่วงก็ออนลงงวงจะไหลไหวอ่อนลงผ่อนหัวน้อยที่เราทดลองลุกลังไม่มีสติมันป่า เหมือนหลงเหมือนพูดหรอหวนใบไม้แค็ตื้อหมนปลาลองปลาขอนเช้าอ่อนการพยายาเกียนหลงเป็นลูกนี่คความเพียรควมเพียรตามเรื่องภาวนากยันลูกทำเรื่องรารเป็นเรื่องดีมาลราเป็นดีรรกรรมละ้ากกระมึบมาเป็นเพราะว่าลูกเป็นยัง ไปว่าเกิดขึ้นมาเป็นภาวะที่รู้รวมพวกเราเกิดอ๋อหนอนเกิดขึ้นมาเป็นภาวะที่รู้รวมคิดลราเดี๋ยวจงใจมาเป็นภาวะที่รู้รวมพุ่งสอดเหมือนคิดเหมือนไก่เสียมาเป็นภาวะที่รู้ยื่งคิดมากยิ่งรู้มากเนี่ยมันจะไปได้หรือไปไม่รอด ไม่จริงคอาู้สึกตวมนจรีผ่านไปตรงไหนเหยียบย่อมเป็นจับแทงท้องในเรากิดฉีไปเลยหละลูกรูมันมันทำอะไรจะเนี่รูแล้วผ่านแล้วหลงลูผ่านไปแล้วไปทางไหนผมาได้ควูกผ่านมาผ่านมา หนที่เรสดพระสูตรทุกรูดแล้วจงพุทธยแย่งแล้วในรูดพ้นมาแล้วมักจะเดินมากจะเดินมากทำไมมากตุ้มมากนักเคยดูเสียงเหียงมากมากมากในคราวเดียวกันเลยครับ เราสร้างเฉพาประกอบความเกี่ยกรรมฐานไปในเท้าเดียวกันเลยมาเป็นพวงเลยไปเป็นพวงพุ่นไปไปพวงตัวจะมาถึงพวงรู้สึกตัวมันพึ่นไปเบี่ยป่ารูปอะไรก็รูปลงรูหลงรูปแล้วก็มีพลังนี่กรรมฐานเนยเลยก็ สมรชัญักษ์บกพรายบกพรายเพียงพอเป็นเครื่องทุ่นแรงที่เพียงพอมาใช่กับความหนักหนาสาห์โอดของทิหลืปหน้าตาเรแปเพียงพอละไรท่กระทุกขนาดไหนจะเป็นยังไงเพียงพอ ว่าทุกๆแต่มากำลังจะตีแล้วมันเบาเบาเลต่าไปใจทุกเป็นทุกคนหนักหลงเป็นหลงหนักหนักขึไหลเทพาหลักยึดไม่รู้เป็นตัวเราการตั้งห้าเป็นของหนักเลย ปวดทาร์บทตั้งหา้าโดยของหนักเล้อะไรก็เป็นตัวเป็นตัวหมดไม่ไม่เบามันขาดไมได่เหมือนมรรคเมือจติตมันทำไม่ลาดมเห็นเนี่ยรู้เนี่เคยเห็นนะอว่าที่รู้เหมือนหน้าลอกเร า, าเรียกว่าจิต จรงๆันเป็นหน้าโลกไปขี่หนาศุภผู้มีสติเป็นวินัยมีหน้าโลกรู้โลกไม่ใช่สตินะจริงๆเป็นหน้าเป็นดวงตาภายในที่มันหน้าโลกมันเห็นเห็นมันรลบนะถ้เป็นเนี่ยมันชันเป็นหน้าขา เป็นฟองถ้าเห็นนี่ยมันลาดมันลันลาขึ้นง่ายข้ามได้ง่ายไม่ชนไม่เป็นกําแพงไม่เป็นส้นกําแพงถ้าเห็นเนี่ยถ <c oughs> ้ า, า, า, าเป็นนี่เป็นส้นกําแพงไปได้ย่าถ้าเห็นเนี่ยง่ายเดี่ยว ก้าวข้างได้ขึ้นง่ายในวันหน้าโลกทำใหมาง่ายจิตทำให้ตัวยากทำมาเป็นสุขทำให้ตัวเองยากเป็นทุกข์ทําตัวเองยากเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกเป็นผู้ได้เป็นผู้เสียทำให้ตัวเองยา ก, ก, ย ส, ยยากสร้างปัญหาให้ตัวเองไอ้เหีนเนี่ยทำใม้ตัว ง, ง่ายเสียตัว ถ้าเราสรารหาตัวอนเขายืก็ปากับเราด้วยถ้าเราทรางแลงให้สะดวกคนหนึ่งเขสะดวกไปกับเราบยไเห็นดูแลเห็นแล้วรู้แล้วเรารู้เรยแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วเจเราแสงสว่างเกิดขึ้นแจอเรายาณเกิดขึ้แล้วเจเรานิพพานเกิดขึ้นแล้วเจเร า, นนนานนนในความหลง คนเจ้าคนหลงคนนิพพานไปแลวรมหลูนิพพานไปแล้วนิพพานชิมลองไปแล้วนิคพานน้ยน้อยไปแล้วในกองทุกข์เกิมาทุกข์ไม่เป็นวุตุกนิพพานในกงทุกข์นิพ่านไปแล้วนิพพานจะหมดไปแล้วหมดไม่ยิงก็หมดไปมาที่ใวก็หมดไปหมดไปไม่ใช่หนทางที่ตาย มันผ่านได้แล้วหลงก็ผ่านได้ความทุกข์ก็ผ่านได้ความผิดก็ผ่านได้ความถูกก็ผ่านได้แกโลกรธโรคหลงก็ผ่านได้สะดวกชีวิตสะดวกทำไมเกิดความสะดวกอาศัยกรรมฐานเปนเครื่องมือ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 มันคือวันสนุกทำมานงานเปรื่องเล็กถ้าคนไม่ไปทำงางานก็เเรื่องใหญ่ถ้าคนไปทํางานเป็นเรื่องเล็กอาบเหงื่อเข้ามันอาบ น, าบน้ามนสนุกถ้าคนคิดเกี่ยวกับทาอะไรก็ยาก นันเรืนองภาวานาขยันขยันรู้เนี่ยมันก็มันก็จะขยันไปหลายอย่างนะขยันลูกก็ขยันไปหลายอย่างแต่ดความดีหลายอย่างถ้าขยันรู้กุณทรรมเกิดขึ้น เป็นมารดาของคุณธรรมทั้งหลายเป็นกุศนเราหลงมากเรารู้มากถ้าหลงละการของเราพอ <c oughs> ใจจะในความหลงน่ะกระตือรือร้นให้มันรู้ในความหลงเ <c oughs> ชื่อไวเคื่น้อย สนุกลงไหมต่อใจในความลูกมีมีมีหลักมีหลักหายใจเข้าอยู่กัหายใจออกอ่ยสนุกนะหายใจถ้าจับมาจึ้งารือหายใจออกเอ้าถ้าเรียกว่าหายใจออกไม่เข้าหรแล้วก็สนุกนะลองดูที่ไม่ให้มันเข้าดูชี สนุกนะอย่าเป็นทุกนะโอ้ดีดีดีเอาไปมามันต้องหายมันหายไปเลยก็พหลุันเข้ามาเลยก็หลุดตั้งใจเราหยาทิ้งไปเลยการเอาทิ้งเนี่ยมันดีเดินเต้นรำสนมไม่ดีนะรูปเนี่ยทิ้งเลยควมทุกขเนี่ยทิ้งเลยความชุมกอดทิ้งเลยออะไรที่มัน อวิทย์อะทิ้งเลยเถอะอนทิ้งมันดีนะไม่เหมือนไปเหยาะนะอันรูปทำนามนี่ทิ้งมันเลยนะไปเอยาะอย่าไปทิ้งนะต้องทิ้งไงถูกที่ถูกอันนั้นจึงจรใช้ไะ้อันรูปนามรูปทำนามทำนี่ทิ้งเลยทิ้งมันมันใช่ได้แนละ้ว ของที่ทิ้งเนี่ยมันใช้ได้รูปทาน้าทำเน่ถ้าถ้าไปยืดเนี่มันใช้ไม่ได้เลยแล้วเมื่อทิ้งไปแล้วมันใช้ยืดอ้มันดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าถ้าเราหน่องมันนะมีแตมันจะโซ่ลงไปเอาไปทิ้งไปหายใจเลยไปทิ้งไปเลยลมหายใจมันปวดก็ทิ้งไปเลย ไม่เป็นผู้ปวดเท่นมันปวดทิ้งไปเลยเอาไปมาก็ดีนะไม่มีอะไรทำใมเ้เราเป็นทุกข์ได้ในะรูปในนามแน่ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยโอ้ยเจ้าทุกข์เจ้าโทษอะไรก็เป็นทุกข์ปอบบังทวนคิดก็เป็นทุกข์เอาสิ่งภายนอกไป็ทุกข์เอาสิ่งภายในไปนเป็นทุกข์แล้วก็จะอยู่รอดได้ไงไหวยังไง นักจากอะไรก็ภายนอกว่าเป็นทุกข์มาเป็นฉุกในรูปในนามต่เป็นฉุกมเป็นทุกาก็สงสารรูปสงสารนาไม่ต้องออกมาเป็นฉุกเป็นทุกไม่ได้เห็นน่ะมับเนาะเาล้ว พูดในควองต้องนี้ตอนช้ารับผ้าป้องกัน